จะอนอนผท่านผู้มีจิตสธาวีความเงื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อเข้าหาคำสอน ของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความรู้ความสดความสามารถมีความฉลาดที่ไม่มีใครในโลกนี้จ ะ, ตะเติรเท่าได้เพราะความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรู้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้ได้ด้วยตนเอง มีพระพุทธเจ้าเพียงพ่องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้ความจริงที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาพบกับความจริงอันนี้พวกเราก็จะไม่รู้จากความจริงของพวกเราว่าพวกเราเกิดมาได้อย่างไรและตายไปแล้ว พวกเราจะไปที่ไหนกันต่อแล้วถ้าเราไม่อยากจะไปไม่อยากจะเกิดเราจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สมรู้ความจริงที่เรียกว่าอริยสัจความจริงที่ตัวเสริฐที่ผู้ที่ได้รู้แล้วสามารถที่จะ นำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ตนเองนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตา่างๆหลุดพ้นจากปัญหาตา่างๆหลุดพ้นจากความวุ่นวายใจตา่างๆตอนนี้พวกเราไม่ว่าจะรวยหรือจะจนจะใหญ่หรือเล็กล้วนมีปัญหาด้วยกันทุกคนล้วนมีความวุ่นวายใจล้วนมีความไม่ สงบล้วนมีความวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆนานาเพราะพวกเราไม่รู้ความจริงของความวุ่นวายใจของพวกเราว่าเกิดจากอะไรนั่นเองต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเราถึงจะรู้ว่าเกิดจากอะไรและเราจะทำอย่างไรเพื่อที่ให้เราจะได้ ไม่ต้องกลับมาเจอเรื่องวุ่นวายต่างๆอย่างที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ความจริงที่พูะเจ้าด้วยสองคนพบนี้มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าความทุกข์ใจความวุ่นวายใจความไม่สบายใจคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าความไม่สบายใจความทุกข์ใจ ก็คือการมาเกิดพราเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาเจอกับปัญหาต่างๆมาสูญเสียมาพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักไปนี่คือความทุกข์ใจของพวกเราทุกข์ใจเพราะมาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาแก่ไม่มีใครอยากจะแก่ก็เลยทุกข์ไม่มีใครอยากจะเจ็บ ก็เลยทุกข์ไม่มีใครอยากจะตายก็เลยต้องทุกข์ไม่มีใครอยากจะพัดพรากจากกันก็<ด>เลยต้องทุกข์ทุกข์นี้เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดจากความอยากอยากมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย <c oughs> เพื่อจะได้เสีรูป <c oughs> เสียงกลิ่นรสต่างๆเมื่อมีความอยากมี มีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายก็ต้องมาเกิดมามีร่างกายแล้วพอมามีร่างกายก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็ทุกข์อีกทุกข์เพราะความอยากแล้วก็ทุกข์เพราะความไม่อยากอยากมีหูตาจมูกลิ้นกายากจะมีร่างกายแต่ไม่อยากให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ไม่อยากพัดภาคจากคนที่เรารักก็ทุกข์อีกทุกข์ก็เกิดจากความอยากอยากมีร่างกายก็เลยต้องมาเกิดพอมาเกิดแล้วมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็อยากไม่แก่พออยากไม่แก่ก็ทุกข์อีกนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราคือความอยากอยากในลาบยศสรรเสริญ อยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากนั่าอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีคนยกย่องสรรเสริญยืนยอแต่ไม่อยากให้คนด่าไม่อยากจะตกต่ำไม่อยากจะยากจนนี่คือความอยากที่ทำให้พวกเราต้องทุกขอทรมานใจกันและถ้าเราต้องการที่จะ หลุดพ้นจากความทุกข์ความทรม า, านใจเราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องไปหยุดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดหยุดความอยากต่างๆความอยากดูอยากฟังอยากมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากได้ลาบโนส้สรรเสริญอยากไม่ให้คนเขาตำหนิตีเตียนอยากไม่ตกตำ่ำอยากไม่ยากจน อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราต้องมาหยุดความอยากเหล่านี้และการที่เราจะหยุดความอยากได้นี้ก็มีความจริงอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่ามักทางสู่การละความอยากต่างๆถ้าเราเดินทางมากไปเราก็จะละความอยากต่างๆได้หมดพอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มี ความทุกข์ใจเราก็จะไม่มีการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปมรรคคืออะไรมรรคก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราทําบุญทําทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันนี่คือมรรคทางที่จะนําไปสู่การละความอยากต่างๆการทําบุญทําทานนี้ เพื่อละความอยากไม่ใช่เพิ่มความอยากเพิ่มความโลภอย่างที่ญาติโยมบางคนเข้าใจกันบางคนคิดว่าทำบุญแล้วจะได้รวยมากๆจะได้มีมีเป็นใหญ่เป็นโตถ้าทำบุญแบบนี้แสดงว่าทำทำไม่ถูกทำแล้วจะไม่เกิดประโยชน์จะไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้ ทำเพื่อหยุดความอยากเช่นเราจะเอาเงินนี้ไปซื้อของไม่จําเป็นเห็นกระเป๋าเห็นเสื้อผ้า<ม>เห็นรองเทา้า<ม>เห็นแล้วอยากได้ขึ้นมาทั้งๆที่ทกระเป๋าก็มีอยู่หลายใบเสื้อผ้าก็มีอยู่หลายชุดรองเท้าก็มีอยู่หลายคู่ไม่ซื้อก็ไม่เดือดร้อนแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องซื้อมาถึงจะหายถึงจะอยู่เป็นสุข <อ ữa. S 1> นี่คืออย่าเอาเงินไปซื้อของเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าเป็นการไปสร้างพบสร้างชาติไปสร้างการให้เรากลับมาเกิดไปสร้างความอยากที่จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่เวลาที่เราอยากได้อะไรอยากทําอะไรด้วยเงินด้วยทอง เอาเงินทองนี่มาทำบุญแทนจะได้หมดปัญหาไปเพราะถ้ายังมีเงินอยู่มันก็ยังอยากที่จะซื้ออยู่ยังอยากที่จะใช้เงินอยู่แต่พอเอามาทำบุญแล้วก็จะไม่มีเงินเหลือความอยากก็ไม่สามารถทำอะไรได้นี่เรื่องของการทําทานให้เราเอาเงินทองที่เราจะเอาไปซื้อของตามความอยาก ทำอะไรตามความอยากให้เอามาทำบุญแล้วจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากความสุขที่ได้ตามทำตามความอยากนี้เหมือนควันไฟพอได้มาแล้วก็ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ออกไปข้างนอกไปเห็นของใหม่ก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ ความสุขที่ได้จากการซื้อของเมื่อวานนี้ก็หายไปหมดเหลือแต่ความทุรนทุรายอยากได้สิ่งใหม่ๆแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราซื้อของตามความอยากนี้มาทำบุญมันจะทำให้เราไม่อยากซื้ออะไรพอไปวันพรุ่งนี้ไปเดินไปเห็นข้าวของอะไรเห็นแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆไม่อยากได้ เพราะการทาบุญทำทานนี้ทำให้ใจของเราอิ่มทำให้ใจของเราพอแต่การทำตามความอยากนี้จะทำให้ใจของเราหิวทำให้เราอยากได้เพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆนี่คือสาเหตุที่พพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเอาเงินทองต่างๆที่เราจะเอาไปซื้อความสุขทางตามความอยาก อย่าไปทำเพราะไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์เพราะมันจะเพิ่มความอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่มีเงินซื้อก็จะเดือดร้อนแล้วก็จะต้องไปทำบาปทำกรรเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อของตามความอยากแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปซื้อของตามความอยากนี้มาทำบุญความอยากจะถูกกำจัดไปแล้วใจก็จะ อิ่มใจก็จะพอขึ้นมาเพราะไม่มีความอยากความอยากนี้ทำให้เรารู้สึกไม่พอแต่พอเราไม่มีความอยากเราก็เกิดความพอขึ้นมาภายในใจดังนั้นทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จาเป็นไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เอาเงินมาทาบุญกันจะทำที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาทำที่วัดเพียงที่เดียวทำที่บ้านก็ได้ทำกับผ้าอารหันของเราก็ได้ที่บ้านเรามีผ้าอารหันอยู่สองรูปคือพ่อและแม่ของเราทำบุญกับพ่อกับแม่เราเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่อย่างมีความสุขอย่าปล่อยให้พ่อแม่อยู่อย่างอดอยากขาดแครนส่วนตัวเรานี้เอาเงินไปเที่ยวการสนุกสนานเฮฮา ปล่อยให้คนแก่คนเฒ่าอยู่ในบ้านตามลําพังว่าเวยพาคนแก่คนเฒ่าออกไปวัดไปทําบุญกันให้คนแก่คนเฒ่าได้ยินได้ฟังธรรมเลี้ยงดูพ่อแม่หาซื้อเสื้อผ้าหาซื้อของที่จําเป็นมาให้พ่อแม่ไม่ให้ขาดแคลนให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขอย่างสบายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญเหมือนกัน นอกจากพ่อแม่แล้วก็ทำกับสามีภรรยาทำกับบุตรธิดาทำกับญาติสนิทมิสหายทำกับพี่กับน้องการช่วยเหลือกันการแบ่งปันการ น, นี้เรียกว่าเป็นการทำบุญแล้วมันจะทำลายความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อสิ่งต่างๆไปซื้อความสุขต่างๆซูเอาความเอาเงินมาทำบุญ ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ให้เราอิ่มให้เราพอทำให้เราไม่หิวไม่อยากแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำตามความอยากมันเป็นความสุขแป๊บเดียวแล้วก็เกิดทำให้เกิดมีความอยากขึ้นมาใหม่อยากจะซื้อใหม่อยากจะเที่ยวใหม่นี่คือการทำบุญทำทานตามหลักของพระพุทธเจ้า ที่ ส, สอนสอนให้เราทําเพื่อตัดความอยากต่างๆเวลาที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้ออะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นอย่าเอาไปทําเอาไปทําบุญแทนแล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากจะซื้ออะไรถ้าจะซื้อก็ซื้อแต่ของที่จําเป็นเช่นเวลาข้าวหมดก็ต้องไปซื้อข้าวมา เพราะถ้าไม่มีข้าวกินเดี๋ยวร่างกายตายได้ไม่มีเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเก่าขาดหมดแล้วก็ซื้อได้รองเท้าใช้ไปจนขาดแล้วก็ซื้อได้แต่ของที่ยังใช้ได้อยู่ก็ไม่ต้องซื้อนี่คือการดับความทุกข์ใจเราต้องมาดับด้วยการละความอยากเพราะเวลาเรามีความอยากแล้วเราอยู่ไม่เป็นสุข พออยากได้อะไรนี้ดีไม่ดีก็ไปยุ่งกับพระสงองค์เจ้าไปขอให้ให้ขอพงขอพรให้ยุ่งไปหมดพระสงองค์เจ้าก็บอกว่าอย่าไปอยากถ้าไม่อยากเราไม่ต้องมาขอพรให้เสียเวลาขอก็ไม่ได้เพราะพร น, นี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้ได้สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่จะทำานีเราอยากได้ก็คือการกระทำของเรา อยากได้เงินก็ไปทํามาหากินมีรายได้มันก็มีเงินทองขึ้นมาไม่ใช่เอาเงินไปซื้อหวยแทงที่จะได้เงินกับเสียเงินนี่เวลาไม่ถูก<ม>เวลาถูกก็เอาไปใช้หมดอพ อ, อไรายได้มาง่ายๆก็เอาไปใช้หมดเอาไปซื้อของตามความอยากมันก็หมดเหมือนกันมันก็จนเหมือนเดิมถูก ก, ก, ถก็เงินก็หมดไม่ถูกเงินก็หมด เวลาแทงไม่ถูกเงินก็หมดเวลาแทงถูกได้เงินมาก็เอาไปใช้หมดมันก็หมดเหมือนกันอย่างนี้ไม่มีวันที่จะรวยได้ถ้าอยากจะรวยต้องหาเงินแล้วต้องเก็บเงินไม่ใช่เอาไปใช้เงินใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเอาไปซื้อข้าวกินได้เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าเช่าบ้านเอาไปจ่ายค่ายารักษาโรคภยัยไข้เจ็บ ใช่อย่างนี้มันจะไม่ใช่มากแต่ถ้าใช้ซื้อของตามความอยากแล้วต่อให้มีกี่ล้านก็ไม่พอซื้อรถคันหนึ่งมันก็สิบล้านยี่ิบล้านขึ้นไปแล้วถ้าอยากจะใช้เงินซื้อของต่อให้เงินมีกี่ร้อยล้านก็ไม่พอซื้อเดี๋ยวก็ซื้อคอนโดเดี๋ยวก็ซื้อตึกซื้ออะไรไปหมดนี่คือความอยากถ้าเราปล่อยให้มันสั่งให้เราทำแล้ว รับรองได้ว่าเราจะไม่มีวันที่จะรวยได้การที่เราจะรวยได้เราต้องฝืนความอยากเวลาอยากจะใช้เงินก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เอาไปลงทุนดีกว่าเอาไปขยายกิจการดีกว่าเอาไปเปิดร้านเปิดสาขาดีกว่าเดี๋ยวก็เงินทองก็ไหลมาเทมานี่คือเรื่องของความอยากที่มันทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกัน แล้วทำให้เราวุ่นวายใจกันเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจเนื้อบางทีก็ไปโกรธคนที่เขาไม่ทำตามความอยากของเราอยากให้เขาพาเราไปเที่ยวพอเขาไม่พาเราไปเที่ยวเราก็ไปโกรธเขาทั้งๆ ท, ที่เรารักเขาแต่ก็อดที่จะโกรธเขาไม่ได้เดี๋ยวไปโกรธเขาบ่อยๆเขาก็เบื่อเขาก็เลยบอกบายๆไปคนละทางดีกว่า อยู่กับคนขี้โกรธที่โลกนี้อยู่ไม่ได้หออยู่เท่าไรทำอะไรให้เท่าไหร่ก็ไม่มีคาว่าพอเนะระวังไว้นะถ้าเรามีแฟนอย่าไปโลภมากเกินไปเดี๋ยวราบจะหายเดี๋ยวแฟนจะหายเพราะแฟนจะเบื่อขออยู่เรื่อยๆข อ, ขอนู่นขอนี่อยาก ไ, ได้นู่นอยากได้นี่เรื่อยๆคนเราถ้าเราเป็นเขาบ้างเราจะรู้สึกยังไง มีแต่มาขออย่างเดียวไม่เคยมีอะไรมาให้เลยถ้าไม่ให้เขาเลยเขาก็ไม่อยากจะอยู่กับเราเขาก็ไปหาคนที่ไม่ขอดีกว่านี่คือความอยากโทษของความอยากที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ใจความเสียใจความโกรธความพยาบาทต่างๆนั้นอยากทำตามความอยากเอาเงินไปทำบุญ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำบาปเราก็จะรักษาศีลได้การรักษาศีลก็เป็นการหยุดความอยากเวลาอยากจะหาเงินทองโดยวิธีไม่ถูกต้องเช่นเรื่องการพนันแทงหวยหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเราก็อย่าทำเพราะทำแล้วมันเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณเวลาอยากจะ โกหกหลอกลวงผู้อื่นก็อยากทําทําแล้วจะเสียเครดิตต่อไปจะไม่มีใครเข้าเชื่อเรานี่คือการกระทําสิ่งที่จะทําให้เราดับความทุกข์ใจต่างๆเพราะเวลาทําบาปนี้จะมีปัญหาตามมาใจจะไม่สบายเวลาไปทําร้ายผู้อืใจก็จะหวาดระแวงวกลัวเขาจะมาทําร้ายเรา เวลาไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นก็กลัวจะถูกจับเข้าผูกเข้าตารางเวลาไปประพฤติผิดประเวณีก็กลัวแฟนจะรู้กลัวก็จะไม่สบายใจเพรฉน้นเราอย่าไปทำบาปเพราะจะทำให้เรามีความทุกข์มีความไม่สบายใจถ้าเราไม่ทำบาปได้เราจะสบายใจเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนวิตกกังวล ว่าจะถูกไปจับไปลงโทษว่าเราไม่ได้ทำความผิดอะไรนี่ก็คือขั้นที่สองวิธีที่จะละความอยากละความทุกข์ต้องรักษาสิงแล้วขั้นที่สาก็คือต้องทำใจให้สงบภาวนาถ้าใจสงบแล้วความอยากมันจะหายไปความอยากมันจะหายไปชั่วคราว เวลาไม่มีความอยากนี้จะรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายเหมือนกับได้เงินทองมาล้อยล้านพันล้านนี่คือผลที่เราจะได้จากการทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขมากจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรเพียงแต่ว่าความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธินี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสงบชั่วคราว เพราะหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะตัดทำลายความอยากให้มันสิ้นซากไปเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือต้องสอนใจว่าการทำตามความอยากไม่ได้พาให้เราไปสู่ความสุขแต่พาให้เราไปสู่ความทุกข์เพราะความอยากมันไม่มีวันหมดอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ แล้วพอเวลาไม่ได้ก็จะทุกขใจแล้วก็จะทำให้เราต้องไปทำตามความอยากโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องคือไปทำบาปทำกรรมพอไปทำบาปทำกรรมก็จะเกิดความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกนี่คือปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทาตามความอยากต้องละความอยากต้องอยู่เฉย ต้องทำใจให้นิ่งเวลาอยากก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากเพราะคิดแล้วมันจะดิ้นมันจะทรมานใจแต่ถ้าเราคิดถึงพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปทาตามความอยากนี่คือมรรคที่พระเจ้าทรงคนพมทางที่จะนำไปสู่การตัดความอยากต่าง ละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขความอิ่มความพอไปตลอดไม่ต้องไปเดินหนดไม่ต้องไปหาร่างกายไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องไปทุกข์กับการพลาดลาจากกันนี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราพวกเราก็จะติดอยู่กับความอยากนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดเกิดมากี่พบ ก, กี่ชาติก็อยากเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ ก, มก็ ม, กมาทุกข์ใหม่มาลอ้อม่มล้อไห้ากับความแก่กับความเจ็บกับความตายใหม่กับการพัดพาาจากกัน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ความจริงอันนี้ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากกองทุกนี้ได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วแล้วเอามาสั่งสอนพวกเราก็มีคนที่นำเอาไปปฏิบัติและหลุดพ้นจากกองทุกเป็นจำนวนมากบุคคลเหล่านี้ท่านได้ชื่อว่าพระอรหันต์ตถาส์ก็คือผู้หลุดพ้นจากความอยาก ผตัดความอยากทั้งหมดให้ออกไปจากใจได้แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้แล้วพระอาหารหันต์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนก็จะไม่มีพระอาหารหันตสาวกพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะเป็นพระอาหารหันตสาวกได้แต่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสแล้ว สามารถเป็นพระอาลานตสาวโกได้ถ้าเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติเอาไปทําท า, น เ, า, า, า, เ า, านเพื่อละความอยากเอาไปรักษาศีลเพื่อละความอยากเอาไปภาวนาเพื่อหยุดความอยากเพื่อทําลายความอยากให้หมดไปจากใจนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้ามีไว้เพื่อละความอยากละค่านโลกความโกรธความหลง ไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับคนบางคนที่เข้าใจกันว่าถ้าอยากร่ำอยากรวยต้องทำบุญเยอะๆอันนี้เป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องเพราะการกระทำบุญนี้เพื่อให้เรายากจนเพื่อให้เราไม่มีเงินจะได้ไม่ไปไปเอาเงินไปใช้ตามความยอยากเข้าใจไหมไม่ใช่ให้รวย ยิ่งรวยก็ยิ่งอยากยิ่งอยากก็ยิ่งทุกขเพราะฉะนั้นการทำบุญนี้ไม่ต้องการให้เราร่ำรวยต้องการให้เราตัดความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆการรักษาศีลก็เหมือนกันเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์ความวุ่นวายใจแล้วก็การภาวนาก็เพื่อหยุดความอยากทำลายความอยาก ขอให้เราเข้าใจหลักคำสอนของพ่อพทธเจ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราจะบังบวตว่าทาบุญแล้วไม่ได้บุญก็เพราะว่าไม่ได้ทาถูกต้องตามเวลาตามวิธีที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทานั่นเองถ้าเราทาเพื่อตัดความอยากแล้วเราจะได้บุญเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือ ความจริงที่พระเจ้าทรงตรัสรู้มีสี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข์ทุกข์กคือการเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองคือต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆข้อที่สาการทำให้ความทุกข์หายไปการดับความทุกข์การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นความจริงข้อที่สาพวกเราทุกคน มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราใช้ความจริงข้อที่สคือมักปฏิบัติตามความจริงข้อที่สี่ทำทานนักษาศิลนภาวนาเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำมาสั่งสอนพวกเราพวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีว่างสนา ที่ได้มาเจอความความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราก็จะต้องติดอยู่ในกองทิพย์นี้ไปไม่มีวันจบสิน้นแต่วันนี้พวกเรามีโอกาสที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจออ็บมาตายอีกต่อไปถ้าเราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญทำทาน ด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาความเชื่อเอาคำสอนของพระเจ้านี้ไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้หยุดพ้นจากความทุกข์เราจะได้พบแต่ความสุขมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตะนตรยัย และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ดกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วข่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ